ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงการทำยาตะปริญญาเพราะว่าเราทั้งหลายศึกษาและปฏิบัติในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่เราเคยตั้งความปรารถนาว่าขอให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้กาหนดรู้กองทุกข์ให้ได้ละสมุทัยให้ได้ทำนิโรธคือพระนิพพานให้แจ้งได้อบรมเจริญอริยมรรคเนี่ยมี เพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้โสดาปฏิมรัคเจริญบริบูรณ์สกทาคา ม, มิมรักอนาคา ม, มิมรักตลอดจนถึงอรหัตมรักเจริญบริบูรณ์เมื่ออรหัตมรักเจริญบริบูรณ์ทำกิจประหารอาสวะโดยประการทั้งปวงตัดอาสวะโดยประการทั้งปวงดังที่เราเคยตั้งความปรารถนาว่าอาสวะขยาวหังนิพานนางโหตุกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะนะจงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานเถิด การตั้งความปรารถนาเหล่านี้เนี่ยนะเราก็มาดูว่าเมื่อเราตั้งความปรารถนาเช่นนี้แล้วเราก็มาทำกิจในการทำปริญญา mm hmm. การทำปริญญานั้นถ้าพิจารณาโดยรอบอ น, นะพิจารณาโดยรอบก็จะรู้ว่าอาจารย์ครับขออนุญาตกล่าวทํามนีน่ยนะครับลืมไปว่าพระเทรามมาอยู่ด้วย นี่เมื่อเราได้ทำปริญญาการทำปริญญาเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าละด้วยเท่านั้นเมื่อละเท่าไหร่ก็ชื่อว่าทำให้แจ้งเท่านั้นเมื่อทำให้แจ้งเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเจริญเท่านั้นเพราะว่าการการกระทำอย่างนี้นะก็ทำให้ชื่อว่าเราได้ละในสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งขณะเดียว <MO VE> กันก็เป็นการเจริญในธรรมที่ควรจเจริญ นี้ตั้งคำถามว่าเมื่อเรากําหนดรู้ขันห้าเมื่อกําหนดรู้ขันห้าอย่างนี้เราชื่อว่าละเออชื่อว่าละในสิ่งที่ควรละอย่างไรแต่ตั้งคําถามแบบนี้นะเท่นถ้าเรากําหนดขันห้าอย่างที่กล่าวไปในเมื่อเช้ากําหนดขันห้าว่าไงหรือกําหนดอุปาทานขันห้าว่าอย่างเช่นกำหนดรูปนะกำหนดรูปรูปโดยพิสดารกําหนดว่าตายนี่แหละเป็นที่ประชมแห่ง มหาพูธทั้งสี่นและก็รูปที่อาศัยมหาพูธเหล่านั้นทีนี้ในรูปเหล่านั้นเนี่ยนะทั้งมหาพูตรูปสี่ก็แบ่งเป็นอะไรปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุปัทวีธาตุมีเท่าไหร่ปัทวีมียี่สิบผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะอาโปธาตุมีสิบสองน้ำดีน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำหนองเป็นต้นอ่า เตโชธาตมีสี่มีธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเป็นต้นวาโยธาตมีหกคือลมพัดขึ้นเบื้องบนเป็นต้นนั่นเองเอนะเราพูดแต่ต้นก็พอกันนะถือว่ารู้กันพวกกลางพวกปลายถือว่ารู้กันทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้ก็มาบอกว่าผมเป็นต้นก็มาแบ่งเป็นภูตรูปเท่าไหร่เป็นอุปาทายรูปเท่าไหร่อันนี้ต้องวิจัยให้ได้นะผลเล็บฟันหนังเนี่ยแต่ละอันแต่ละอย่าง ประกอบด้วยมหาภูตรูปเท่าไหร่และรูปที่อาศัยรูปเหล่านี้เท่าไร่ก็เมื่อวิจัยได้อย่างนี้ว่ารูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งจิตเป็นที่ตั้งแห่งเจตสิกเป็นที่ตั้งแห่งนามธรรมตั้งหลายเพราะว่ารูปคือตารูปรูปคือตาเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตเจตสิกรูปคือหูรูปคือเสียงก็เป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตและเจตสิกรูปคือจมูกรูปคือกลิ่นก็เป็นที่ไหลเข้าไหลออกของ จิตและเจตสิกรูปคือกายรูปคือโพธพาก็เป็นที่ไหลเข้าไหลออกแห่งจิตและเจตสิกรูปคื อ, อหัตถยาวัตถุก็เป็นที่อาศัยของจิตและเจตสิกทั้งหลายเมื่อเรามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วถามว่าเราได้ละอะไรบ้างถ้ามีความเข้าใจแบบนี้ละความสำคัญผิดที่ถือว่าเป็นสัตว์นะละความสาคัญผิดสัตตสัญญา สัตตสัญญาความสำคัญผิดว่าเป็นสัตว์เสียก็เหลือแต่สภาพของรู ป, ปธรรมทั้งหลายสภาพของนามธรรมทั้งหลายว่ารู ป, ปธรรมทั้งหลายมีภูต ร, รูปและ อ, อุปาทายรูปนามธรรมทั้งหลายมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็จะมีเหลือแต่ขันห้าไม่มีความเป็นสัตว์อยู่ในขันห้าแต่ถ้าขันห้าประชุมกันเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็น เป็นอะไรเป็นสัตว์เดี๋ยวตอนท้ายเขา<ๆ>เขาเข<ๆ>จะทําให้เช่นอุปมาเช่นว่าถ้าเอานิ้วห้านิ้วมามามากรรมรวมกันเรียกอะไรกรรมปัน้นแล้วอะไรเป็นกําปัน้อนอะันนถ้าบอกอะไรคือกําปัน้นคือความประชมแห่งนิ้วทั้งห้าเรียกว่ากําปัน้นฉันใดขันห้าเนี่ยก็เหมือนกันถ้าขันห้าประชมกันจึงเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขา เป็นพี่ต่อยเป็นป้าเป็นสีเป็นต้นเนี่ยนะก็คือขันห้าประชุมกันเราจึงโวหารว่าเป็นคนเป็นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ถ้าขันเราใดขันหนึ่งตกไปโวหารว่าเป็นสัตว์ก็ไม่มีแล้วโวหารว่าเป็นสัตว์ก็ไม่มีแล้วเพราะว่าความที่ขันห้าประชุมกันอย่างนี้นี่แหละความที่ภูตรูปอุปาทายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประชุมกันอย่างนี้โวหารว่าเป็นสัตว์จึงมีขึ้นทีนี้ภารับปุตุชนทั้งหลาย ผู้ที่ไม่กำหนดรอบรู้ก็สำคัญว่าเป็นสัตว์อย่างแท้จริงเมื่อสำคัญโดยความเป็นสัตว์อย่างแท้จริงก็ทิฐิก็เกิดขึ้นเมื่อทิฐิเกิดขึ้นบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่มีทิฐิเป็นปัจจัยก็เจริญเติบโตเพราะว่าการที่ยึด ถ, ถือว่าเป็นสัตว์ไปเลยโดยที่ไม่มีการแยกแยะอะไรเลยเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเหตุ คือตัวมันเองเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิถ้าไม่วิเคราะห์ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญแห่งมิจฉาทิฐิถ้ามิจฉาทิฐิเกิดเท่าไหร่มิจฉาสังกปะก็เจริญเท่านั้นเมื่อมิจฉาสังกปะเจริญเท่าไหร่มิจฉาวาจาก็เจริญเท่านั้นทีนี้ถ้าพื้นฐาน เ, าาา เ, าเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความเห็นว่าโวหารที่เรียกว่าคนสัตว์ทั้งหลายคือความประชมแห่งขันท่าเมื่อรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความประชุมแห่งขันท่า มิจฉาทิฐิอันนี้ก็เป็นอันถูกเพิกออกไปเมื่อมิจฉาทิฏฐิความสําคัญว่าเป็นสัตว์ถูกเพิกออกไปก็จะเรลือว่าขันท่าประชุมกันอายตนะประชุมกันธาตุทั้งหลายประชุมกันขันธาตุอายตนะเหล่านี้ก็มาแบ่งประเภทโดยความเป็นเหตุและเป็นผลเป็นปัจจัยและสิ่งที่เนื่องด้วยปัจจัยตัวที่เป็นเหตุเกิดและก็ตัวที่เป็นปฏิปทาที่ทําให้วัตทุกขเหล่านี้เกิดขึ้น ทีนี้เมื่อรู้จักกองทุกรู้จักเหตุแห่งทุกอย่างนี้เราจะรู้ว่าถ้าดับเหตุผลและธรรมทั้งหลายก็เป็นอันดับแล้วปฏิบัติอย่างไรล่ะจึงจะดับต้นเหตุเหล่านั้นได้อันนี้คือข้อปฏิบัติที่จะได้ค่อยๆกล่าวต่อไปแต่เบื้องต้นถ้าเรากําหนดทิศทางถูกว่า การทำยาตะปริญญาการกำหนดรู้แยกแยะวิเคราะห์โดยความเป็นรูปโดยความเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยจิตเจตสิกเป็นต้นการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้เพื่อถอนอัตตะสัญญาอัตตะสัญญาหนึ่งตัวท่าภายในตัวเองเห็นไหมก็ละอัตตะสัญญาถ้าเป็นบุคคลอื่นภายนอกก็ละสัตตะสัญญาภายในเรียกว่าถอนอัตตะสัญญาภายนอกถอน สัตตสัญญาสําคัญว่าบุคคลอื่นเป็นเป็นสัตถ์ถ้าเรานี่อัตตาใช่ไหมถ้าเรานี่เป็นอัตตสัญญาผู้อื่นก็เป็นสัตตสัญญาสัญญาเหล่านี้เนี่ยนะความเห็นผิดอันนี้มีอยู่จริงแต่อัตตาแท้จริงไม่มีสัตว์แท้จริงโดยปรมัติ์ก็ไม่มีเนี่ยนะซึ่งข้ออุปมาดังที่จะมีกล่าวต่อไปว่า คำว่ารถนี่อะไรกันแน่คือรถพวงมาลัยใช่ไหมเป็นรถอย่างเงี้ยไงล้อใช่ไหมฝากระโปรงใช่ไหมสติ๊กเกอร์ยี่ห้อใช่ไหมเอาองั้นก็รถก็ไม่มีเลบอกว่าขี่รถมาก็มุสาอ๋ออะไรหลายชิ้นประชมกันเรียกว่ารถฉันใดโวอ่ะรูปภูตรูปอุปาทายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประชมกันก็เรียกว่าผู้การฉันนั้นนะก็คือความที่ขันห้าประชมกันนั่นเองเอนะแต่ว่า ทำไมเราไม่พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆกับในทุกอารมณ์เล่าเ น, นี่ยก็ทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าความรู้ความเห็นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่หรือใช่ั้ยดีไหมความคิดความเห็นแบบนี้ก็ดีเพราะว่าความเห็นอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานที่จะให้เจริญคุณธรรมชั้นสูงจะได้เจริญภาวนาระดับสูงขึ้นต่อไปอีกอะนะใถ้าการวิเคราะห์เหล่านี้เนี่ยนะการไข่ครวญสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นนัก นักแยกเลยเนี่ ย, เ, ยเหมือนกับว่าใครเคยเห็นนั่งอะไรแล้วนั่งฉีกูนั่นแหละนะคล้ายๆก็ได้ใบไม้มาอันหนึ่งก็ฉีกตามริ้วฉีกตามรอยฉีกดจูจนละเอียดปนตี้หมดเลยนะคือคือพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นรูปประนกายต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี้เป็นนักนักวิเคราะห์นามธรรมา ท, ทั้งหลายเป็นนักฉีกค่อยๆเลาะค่อยๆ อ่ะนะเหมือนกับอะไรพวกสาย anatomy นะก็ค่อยะละเลาะเลาะละไ ล, ะ ล, ะ ล, ะละ่ไปทุกส่วนของสรีระฉันใดนี้ก็เหมือนกันผู้ที่เจริญวิปัสนาพื้นฐานก็ต้องเป็นนักนักเลา ะ, ะนะเลาะแบบเลาะผ้าหรือเปล่าเลาะผ้าแปลว่าอะไรายมเลาะผ้าก็คือมันมันเย็บติดกันมันมีตะเข็บเยอะๆใช่ไหมก็ตัดตะเข็บออกเรียกว่าเลาะผ้าใช่ไหมใช่หมย เขามาไม่ใช่จ้างผ้านนะเดาเดาเอาเขาว่างนี้น่าจะแปลว่าอย่างนี้แต่ว่า น, นี้ก็เหมือนกันเราก็เลาะตะเข็บของขันห้าที่เป็นที่ตั้งแห่งความสําขัญว่าสําคัญว่าเป็นสักบุคคลเราต้องขยันขยันเลาะเลยขยันขยันถอดขยันชำระอะไรนะโดยเฉพาะชำะํำระทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจเนี่ย เราต้องหม่นเอาสิ่งเหล่านี้มาชำระ น, นะมาวิเคราะห์ดูโดยเฉพาะขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจถามว่าทําไมอย่างนั้นเพราะเราจะเศร้าใจเราจะไม่เศร้าใจเพราะเรื่องต่างประเทศทวีปอื่นที่ไหนหรอกนะคนไซบีเ ร, นะยรียาตายไปเท่าไหร่เราก็เฉยๆเนี่ยนะแต่ว่าคนที่เรารักเราพอใจเขายังไม่ทานตายเนี่ยนะเราก็เดือดร้อนนะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวัตถุอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจเนี่ยเราจึงพยายามเอามาวิจัยสิ่งเหล่านี้โดยความเป็น เนี่ยนะเขาคือประชมกองแห่งผมกองแห่งเล็บกองแห่งฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตเป็นต้นไม่ใช่หรือสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่หรือธรรมชาติของรูปผมขนเล็บประกอบด้วยภูตรูปและอุปาทายรูปไม่ใช่หรือเวทนาทั้งหลายก็เกิดโดยอาศัยผัสสะเป็นต้นไม่ใช่หรือก็หมั่นวิเคราะห์ในลักษณะนี้บ่อยๆให้จิตเล่นไปอย่างนี้มากๆอันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิการที่ให้ชวนะให้ปัญญาเล่นไปในการพิจารณาว่านี้รูปนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขานี้วิญญาณ น, น, นก็ไล่ไปอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆก็ไอความละสัตตสัญญาก็จะถูกเพิกออกไป อันนี้ทีนี้ก็ข้อปฏิบัติระดับสูงค่อยๆกล่าวต่อไปนี่นะแต่ว่าโดยหลักการในการพิจารณาทั้งหมดที่จะกล่าวต่อไปเป็นอย่างนี้อันนี้คือหัวใจสําคัญของทิฏวิสุท ธ, ธ, ธิหรือหัวใจสําคัญพื้นฐานของยาตะปริญญาในการพิจารณาเมื่อเช้าเนี่ถือว่าเป็นการพิจารณาแบบพิสดารที่สุดอันนีพิสดารอย่างไรทําไมจึงเรียกว่าพิสดารที่สุด ที่เรียกว่าพิสดามที่สุดก็เพราะว่าแยกแยะร่างกายเนี่ยให้เป็นธาตุสี่โดยอาการสี่สิบสองแล้วเอาสี่สิบสองเหล่านี้มาคูณภูตรูปและอุ ป, ปาทายรูปซึ่งในคำพีนเนี่ยท่านให้ตัวเลขมาเลยเนี่ยมีตัวเลขรวมรวมรูปเนี่ยประมาณพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่รูปเนี่ยนะถ้าไปวิจัยดังๆที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะผมสี่สบสี่รูปใช่ไหม ขน44รูปเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูกไตเป็นต้นเนี่ย44รูปอาการ32ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ 1,152 รูปอ่ะนะธาตุไฟมี10เนี่ยแบ่งออกเป็น282รูปอะนะทั้งวัตถุวัตถุกัทวานี่มีอยู่60รูปเพราะนั้นรวมถ้ารวมรูปเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย 1,494 รูปอะนะถ้าใครชอบตัวเลขก็เอาไป แต่ถ้าไม่ชอบตัวเลขก็ไล่เท่าไหร่เราได้เท่าไหรก็เอาเท่านั้นไปก็ไม่น่าหนักใจอะไรอะไรทีนี้เมื่อวิเคราะห์รูปอย่างนี้ได้แล้วก็นามทั้งหลายคือโลกิยาจิตโลกิยาจิตทั้งหลายก็มีเจตสิกอย่างน้อยเจดวงประกอบใช่ไหมเรียกว่าสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเจดวงประกอบแน่นอนเอาตัวหลักๆไว้ก่อนคืออะไรภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคัตาชีวิตินทรียีและ มนสิการที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเป็นแน่ทีนี้จิตทุกดวงเนี่ยมันเกิดขึ้นตามทวารไหนบ้างจิตทั้งหลายก็เกิดในทวารตาจิตที่ไหลเข้าไหลออกทางทวารตาจิตที่ไหลเข้าไหลออกทางทวารหูจิตที่ไหลเข้าไหลออกในทวารจมูกจิตที่ไหลเข้าไหลออกในทวารเล้นทวารกายและทวารใจ การที่กล่าวเน้นๆ เ, เนี่ยนะคือพวกเราพยายามพิจารณาตามในชีวิตที่เป็นจริงด้วยในในในชีวิตที่เป็นจริงเพราะว่าโดยอธิบายเฉพาะตามหน้ากระดาษเฉยๆเนี่ยขอมาเชื่อว่าองค์โยมทั้งหลายมีความสามารถสูงกว่ามาหลายเท่าเนี่ยนองมานี่ให้มโนอตมาติคให้มาย่อเป็นสรุปเป็นเรื่องไม่ลานะโอ้เสียคนหมดแล้เนี่ยนะเพราะในการเรียบเรียงเอกสารในการอะไรเนี่ยนะของมาแพ้ตั้งแตเริ่มต้นแล้ แต่ว่าที่เอามากล่าวนี้พยายามจะเอามากล่าวให้มาประยุกต์ใช้ในในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะเอามาวิเคราะห์ในสิ่งที่เป็นจริงในการวิเคราะห์เหล่านี้เราก็มาลองทําดูว่าเจริญแล้วสบายใจไหมเจริญแล้วได้ปริญญาอะไรเพิ่มไหมตรงนั้นที่อยากให้เจริญเนี่ยนะสิ่งที่ต้องการมากทีนี้มาดูนัยยะที่สองขออภัยวิธีที่สวิธีที่1นึทวนอีกครั้งหนึ่งนะวิธีที่หนึ่งคืออะไร มีส ม, มถะนำหน้าจเจริญส ม, มถะก่อนออกจากส ม, มถะแล้วจเจริญหรือเอามามาทํายาตะปริญญามาแยกแยะขันหาวิธีที่สองคือพิจารณาท่าสี่โดยพิสดารตามหลักเจตุธาตุววัฏฐานพาะะนันข้อปฏิบัติที่กล่าวไปเนี่ยนะใครที่ศึกษาเจตุธาตุววัฏานการกําหนดแยกแยะวิเคราะห์ท่าสี่ได้ก็จ ะ, ะถือว่าได้เปรียบเยอะนะถ้าถ้าพื้นฐานไปฝึกคิดในเรื่องท่าสี่ แต่ถ้าไม่ได้อะไรเลยจริงๆก็ธาตุสี่เดินไปแล้วธาตุสีนั่งธาตุสีนอนธาตุสี่นะธาตุทับบนธาตุธาตุก็ไม่รู้ว่าธาตุข้างบนทัตุธาตุข้างล่างเช่นกายธาตุก็ไม่รู้ว่าธาตุเนี่ยทับอยู่บนเตียงเตียงก็ไม่รู้ว่าทับอยู่บนพื้นพื้นก็ไม่รู้ว่าทับอยู่บนดินดินก็ไม่รู้ว่าทับอยู่บนน้ําน้ําก็ไม่รู้ว่าทับอยู่บนลมลมก็ไม่รู้ว่าอยู่บนอากาศเนี่ยนะก็วิเคราะห์ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ซึ่งกันและกการเป็นอภิญญาคตะคิดอะไรไม่ออกเอาแค่นี้ไว้ก่อนก็ยังดี แต่ถ้าเดียวคิดพอไปคิดไปเดี๋ยวมันก็ไปเองแหละนะถ้ากุศลจิตเกิดนะห้ามมีประเลิโพธประเลิโพธแล้วก็โอ้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายที่สุดของชีวิตเชื่อไหมในบรรดาในโลกนี้นะการศึกษาพระธรรมการพิจรารณาพระธรรมการคิดพระธรรมคนในโลกถือว่าเรื่องนี้คือเรื่องสุดท้ายเมื่อไปทําอย่างอื่นเสร็จก่อนนะค่อยเอาเรื่องนี้เออเป็นเรื่องหน้าแปลกไหมนะแต่ว่าถ้าทางพุทธศาสนาท่านถือผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดท่านถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก เรื่องอื่นเป็นเรื่องรองหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องเรื่องนั้นนั้นเนี่ยทำแล้วไม่มีจบไม่มีเสร็จแต่เรื่องนี้ทําแล้วจบทําแล้วเสร็จเสร็จยังไงเสร็จกิจสิบหกไม่ตกกันดาลอา้าวกันดารไหนชาติกันดารเป็นต้นเนี่ยไม่ต้องตกชาติกันดารชรากันดานปรปยาธิกันดารมรณะกันดาลโสกบุริเทวะมันข้ามวัตทุกขท่าทําจบนะนะถ้าทานะําทเรื่องนี้ไม่จบนะยังไงก็ต้องกลับไปทําเรื่องเหล่านั้นอีกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอก เพราะฉะนั้นกิจอันนี้ควรรีบเร่งนะเร่งแค่ไหนเร่งแล้วหูใจสูงสูงต่ำต่ำตื่นเต้นเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละไม่คำว่ารีบในที่นี้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนแล้วกันที่นี้มาพูดแบบพิสดารนัยยะที่สองนัยยะที่สองว่ากำหนดนามรูปเกี่ยวกับท่าสิบแปดคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ นึกถึงธาตุทั้งหลายว่าในอัตภาพนี้ให้นึกถึงนะท่านบอกให้นึกนะของมาก็นึกว่าเ อ, อวิปัสสนาเนี่ยเราบอกเ อ, อ๊ะทำยังไงท่านบอกว่าให้นึกอาวัชิตตวะภาษาบาลีเรียกว่าอาวัชิตตวะอาวัชนะอนะอาวัชิตตวาเป็นผู้นึกแล้วหรือน้อมนึกนึกอะไรนึกว่านี้จักรคู่ธาตุสีทั้งหลายผิวของเราสีทั้งหมดของร่างกายเป็นเป็นอะไรธาตุเป็นรู ป, ปรธาตุการเห็นเป็น จักขูวิญญาณธาตุหูของเราเป็นโสตธ า, าตุเสียงที่ได้ยินเป็นสัทธธาตุตัวได้ยินเสียงเรียกว่าโสตวิญญาณธาตุจมูกเป็นคานธาตุกลิ่นเป็นคันธาตุการรู้กลิ่นเป็นคานวิญญาณธาตุิ้นเป็นชียวหาธาตุรสเป็นรสธาตาุรู้รสเป็นชีวหาวิญญาณธาตุ กายเป็นกายธาตุโพธพภะเป็นโพธพภะธาตุการรู้โพธพะเรียกว่ากายวิญญาณธาตุมโนธาตุคือธาตุที่นึกก่อนที่จะรู้อารมณ์ตั้ง5้าแล้วก็การรับอารมณ์ที่ต่อจากการเห็นการได้ยินการรู้กปลิ่นรู้รสรู้โพธพภะอันนี้เป็นมโนธาตุเจตสิกทั้งหลายเป็นธรรมธาตุจิตที่เหลือที่กล่าวไปแล้วเรียกว่า มโนวิญญาณธาตุเกิดมาในสมัยใหม่เนี่ยนะได้ชิมแต่รสเลยนะพูดไปก็อมยาอมไปหวานมากอร่อยมากชิวหาวิญญาณธาตุเกินเลยเอ๋อไม่ถ้าไปงานศพนะับบางแห่งเขาจะสวดนะเขาสวดว่าไงเขาสวดว่าอัฏฐารสธ า, าตุโยจักขุธาตุรูปธาตุจักขวิญญาณธาตุ โสตธาโตสัทธาธาโตโสตวิญญาณธาตตคานาธาโตคันทะธาโตคานวิญญาณธาโตเชิวหาธาโตรสะธาตเชิวหาวิญญาณธาโตกายธาโตโพตภะธาโตกายวิญญาณธาตตมโนธาโตธัมมะธาโตมโนวิญญาณธาตนเรียกว่าอัฏฐรสะธาตุโยธาสิบแปตั้งหลาย ที่มีอยู่ในกายนี้ถ้ากายนี้ถ้ากระจายออกมาเป็นธาตุสิเนี่ยนะก็จักรุธาตุรูปธาตุจักขรวิญญาณธาตุโสตธาตุสัตธาตุโสตวิญญาณธาตุคานธาตุคันธาตุคานวิญญาณธาตุระชิวหาธาตุรสธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธภะธาตุกายวิญญาณธาตุ มโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุเออโยมเก่งมากเลยนะสวดได้ามาแล้วทําบุญอะไรมาเนาะสมัยก่อนเราไปท่องแล้วเจ็บคอมาเลยนะรู้งี้มานั่งเรียนแบบนี้จําได้แป๊บเดียวเลยกันนะทีนี้มาดูว่าเอาพวกธาตุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะที่ที่เราวิเคราะห์นะว่างๆใครยังทําปริญญาอะไรไม่เป็นเลยนะไปท่องอย่างนี้ก็ยังดีว่างๆ น, ะจนจะจำน่จะจําไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ใช่ไหม จกักรูธาต์รูปาธาต์จกักรวิญญาณาธาตอ์คิดแบบนี้นะตาคือจกักรูธาต์สีที่เห็นทั้งหมดเป็นรูปาธาต์การเห็นเนี่ยเป็นจกักรวิญญาณาธาต์เนี่ย น, นะก็คือมาฝึกแยกให้มันมองเป็นทวารตาลืมตาก็แยกออกเป็นสามส่วนก่อนจักรูธาต์รูปาธาต์จกักรวิญญาณาธาต์นนะหูก็เป็นโสตาธาต์สัท ธ, ธาต์โสตวิญญาณาธาต์ก็แบ่งทวารหูเป็นสามธาต์ ทวารจมูกล่ะคานธาตุคันธาตุคานวิญญาณธาตุก็แยกออกเป็นสมส่วนแยกทางปัญญาออกก่อนนะนะแล้วก็ลิ้นนะทวารลิ้นเชีวหาธาตุระส่าธาตุเชีวหาวิญญาณธาตุกายนะกายกายธาตุโพธภะธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุคืออะไรคือตัวนึกก่อนที่จะเห็น นึกก่อนที่จะได้ยินนึกก่อนที่จะรู้กลิ่นนึกก่อนที่จะรับรู้รสนึกก่อนที่จะรับกระทบโธภาความนึกอันนี้เป็นมโนธาตุหรือการรับอารมณ์ต่อจากการเห็นรับอารมณ์ต่อจากการได้ยินรับอารมณ์ต่อจากการหรือกลิ่นรับอารมณ์ที่ต่อจากการรู้รสรับอารมณ์ต่อจากการรับกระทบโธภาอันนี้เป็นมโนธาตุ ส่วนมโนวิญญาณาธาตุคืออะไรมโนวิญญาณาธาตุคือจิตที่เหลือจากที่กล่าวไปทั้งหมดคือมโนวิญญาณาธาตุทีนี้ไอ้วิญญาณาธาตุเนี่ยนะในนี้พูดส่วนนามธรรมนิดหนึ่งก่อนว่าจิตเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นได้จิตเนี่ยนะโดยวิญญาณาธาตุได้เจ็ดวิญญาณาธาตุเจ็ดวิญญาณาธาตุหนึ่งจกักรวิญญาณาธาตุสองโสตวิญญาณาธาตุสาม ขานวิญญาณธาตุสี่เชีวหาวิญญาณธาตุห้ากายวิญญาณธาตุแล้วให้เวลากลืนน้ําลายหน่อยเอาละหกมโนธาตุธาตุที่รับธาตุที่นึกกับธาตุที่รับอันนหรือพูดแบบง่ายๆเรียกว่าธาตุรู้มโนธาตุแปลว่าธาตุรู้ทีนี้ต่อไป มโนวิญ ญ, ญาณธาตุก็คือความนึกคิดทั้งหลายนี้เป็นมโนวิญญาณธาตุจกักวิญญาณธาตุมีสองดวงโสตวิญญาณธาตุมีสองดวงภาณวิญญาณธาตุมีสองดวงเฉีวหาวิญญาณธาตุมีสองดวงกายยะวิญญาณธาตุมีสองดวงมโนธาตุมีสมดวงก็คือสามดวง แต่ว่าถ้านับไปแล้วนับได้แปดเออนับแปดยังไงเอาเอาวัชนะเนี่ยนับห้านะแต่ว่าเรียกมารวมกันเรียกว่าปัญจทวาราวัชนะไงใช่ไหมถ้าเรียกตามทวารเช่นทวารตาเขาเรียกจักขคู่ทวาราวัชนะนะรำพึงที่จะเห็นพูดแบบง่ายๆว่ารำพึงที่จะเห็นคนํานึงที่จะเห็นคนํานึงที่จะฟังคํานึงที่จะดมหรือรู้กลิ่นคนํานึงที่จะรู้รสคํานึงที่จะรู้ โพธะพระทั้งหลายอาวัชนะตัวนี้เรียกว่าเรียกรวมย่อว่าปัญจทวาราวัชนะส่วนที่อันนี้เป็นชาติกิริยาส่วนตัวที่รับอารมณ์ต่อจากการเห็นการได้ยินก็แบ่งออกเป็นสองสองคืออะไรคือที่เป็นกุศลวิบากกับอกุศลวิบากนนะก็ได้ข้อที่6กเลยใช่ไหมข้อที่7ก็คือจิตที่เหลือทั้งหมดเป็นมโนวิญญาณธาต นะมโนโด้วยวิญญาณด้วยโอท่าด้วยนะก็เรียกว่ามโ น, โนวิญญาณธาตุคือธาตุทั้งรู้ทั้งนึกคิดอะไรทั้งหมดเนี่ยนะทีนี้ถ้าแยกตามจิตเนี่ยนะจากครูวิญญาณธาตุนี่ถ้าจะว่าเซอร์ก็เซอร์เพราะรู้แค่ทวารตาอย่างเดียวไปรู้ทวารอื่นก็ไม่ได้เพราะแค่เห็นเท่านั้นจากครูวิญญาณธาตุทาหน้าที่เห็นอย่างเดียวห้ามไปใช้ทําเรื่องอื่นเด็ดขาดานีนะโสตาวิญญาณธาตุก็ เยอะมากก็รู้แต่เสียงอย่างเดียวรู้อย่างอื่นไม่ได้ขานาวิญญาณธาตุก็รู้แต่กลิ่นอย่างอื่นก็รู้อย่างอื่นอีกก็ไม่ได้ชิวหาวิญญาณธาตุก็รู้เฉพาะรสกายะวิญญาณธาตุรู้โพธาภะกายะวิญญาณธาตุรู้เฉพาะโพธาภะเพราะฉะนั้นเรียกว่ามีขอบเขตเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวแต่ถ้ามนโนธาตุเออรู้ได้ห้าอารมณ์เลยมนโนธาตรู้ห้าอารมณ์ นะรู้อารมณ์มีสีเป็นอารมณ์มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพธภพเป็นอารมณ์ได้แต่มีธรรมะเป็นอารมณ์ไม่ได้ส่วนมโนวิญญาณธาตุโหไรขอบเขตานะไรเขตแดนรู้หมดรู้ทุกเรื่องอ่นะบางเรื่องรู้จนในสิ่งนี้ไม่ควรรู้ด้วยสิมันยุ่งมากเลยงนะเช่นรู้ถึงเป็นมิจฉาทิถฐิยังไงนี่ไม่ควรเลยใชม่มันก้าวไกลรู้ไปได้มากมายขนาดนั้นทีนี้มาฝึก คิดในในชีวิตที่เป็นจริงได้บ่อยๆได้มากๆอย่างนี้ว่าก็มองชีวิตแต่ละขณะเนี่ยแยกเคยมีคนที่เป็นคนมักโกรธเนี่ยนะถ้าสมมติถ้าวิธีพิจารณาแบบธาตุเนี่ยนะแก้ความโกรธได้เหมือนกันนะสมมุติถ้าเรานึกนึกถึงใครมันก็ทําปริญญาไม่ได้มันโกรธอย่างเดียวเนี่ยนะเขาบอกว่าทำยังไงก็บอกว่าคุณโกรธจากขู่ธาตุหรือหรือโกรธรูปประธาต์หรือโกรธจากขู่วิญญาณธ า, าตุเอามาไล่อย่างนี้เลยนะ หรือโกรธโสตธาตุของเขาหรือโกรธสัตธาตุของเขาหรือโกรธโสตวิญญาณธาตุเอเราโกรธคานาตาหรือคันธาตาหรือโกรธคานวิญญาณธาตุโกรธอะไรอีกชีวหาธาตุโกรธรสศธาตุหรือโกรธเชีวหาวิญญาณธาตุโกรธกายธาตุโกรธโพธาธาตุหรือโกรธกายวิญญาณธาตุโกรธมโนธาตุโกรธธรรมธาตุหรือโกรธมโนวิญญาณธาตุก็น่าคิดอยู่นะ <We> บอกว่าถ้าคิดอย่างนี้มันไม่รู้จะโกรธอะไรนะคิดไปคิดมาเรานี่โง่อยู่คนเดียวนะไม่รู้ไปโกรธอะไรก็อนไม่รู้เอาทีนี้เอาขณะเดียวกันนะถ้าชอบบ้างล่ะชอบจักขู่ธาตุหรือเออหรือเราชอบรูปธาตุหรือชอบจกักขูวิญญาณธาตุเนี่ยนะเออที่เราพอใจเราชอบโสตธาตุหรือชอบสัทธธาตุหรือหรือชอบโสตวิญญาณธาตุก็มาไล่ไล่ไล่ไล่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งปัญหาก็ไม่มีที่ตั้งว่างั้น คือการพี่วิเคราะห์เหล่านี้จนวัตถุนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะการวิจัยอย่างนี้โมหะก็ไม่ล่มหลงเพราะวัตถุนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะเนี่ยนะแต่ถ้าไม่วิเคราะห์ไม่วิจัยนี่ก็ก็เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะตามเดิมทีนี้ถ้าลงในชั้นรายละเอียดที่ลึกซึ้งเข้าไปอีก จักขูาธาตุเนี่ยนะจักขูธ่ธาตุมีสภาวะอย่างเดียวแต่ในเกี่ยวกับเรื่องจักขูนะโดยศัพเนี่ยจักขุมีอยู่สองอย่างคือมังสะจักสุกับปัญญาจักสุตาเนื้อกับตาปัญญาตาปัญญามีอยู่ห้าอย่างตาปัญญานั้นมีอยู่5้าอย่างตาเนื้อมีสองอย่างตาปัญญาห้าอย่างหนึ่งที่พจักขุ 2. สองธรรมจักสุสามญาณจักสุสี่ สมันตะจักรสุแล้วก็พุทธจักรสุเนี่ยนะก็มีจักรสุห้าอย่างด้วยกันนะซึ่งไม่มุ่งอธิบายทีนี้มาดูมังสะจักรสุตาเนื้อมีอยู่ห้ามีอยู่สองอย่างคือสะสัมพาระจักรสุกับครับอะไรปรสาทจักรสุ ส, สัสมพาระจักรสุเนี่ยนะก็โตเท่าไหร่ดีใขห่านไม่ถึงเนาะมากไปใข่เป็ดน้อยไปไม่ใหญ่ไปใขไก่ ถึงไหมเท่าไรดีเอาก็เท่าที่มันอยู่ในเบ้านั่นแหละแล้วก็แต่ละคนไม่เท่ากันกัแล้วกันนะสรุปว่าแต่ละคนไม่เท่ากันเท่ากับไข่นกกระทาไม้เล็กไปมั้งไข่ <c oughs> นกกระทาไม่ใหญ่นะทำไมข้อคงใหญ่กว่าไข่นกกระทาหน่อยกันแล้วกันสรุปว่าอย่าไปเปรียบอะไรมากแล้วมั้ย สรุปว่าเออทั้งเบ้านั่นแหละที่อยู่ในหลุมในเบ้านั่นแหละเป็นก้อนๆเนี่ยนะห้ามถลนก็นแล้วกันถ้าพูดอันเนี้ยมีทั้งหมดห้าสิบสี่รูปถ้าถ้าไม่บอดเนี่ยนะตาปกติทั่วๆไปมีอยู่ห้าสิบสี่รูปห้าสิบสี่รูปเขาแบ่งยังไงแบ่งยังไงแบ่งว่าจักขุทัศกะชุดที่หนึ่งชุดที่สองกายทัศกะสามภาวะทัศกะ อันนะั้นกรร ม, มะชะรูปมีสามกลุ่มแล้วจิตต่ชะรูปมีหนึ่งคือจิตอวินิโพครูปแล้วก็ต่อไปอุตูอวินิโพคุรูปอาหารอาวินิโพครูปเนี่ยนะปั้นจิตอนะุตูอาหารเนี่ยอย่างละแปดคูณสามเท่ากับยี่สิบสี่บวกอีกสามสิบก็เป็นห้าสิบสี่โอ้เก่งมากบวกเลขขนาดนี้เก่งมากกระแจวแล้วนะวิชาธรรมะคิดได้ขนาดบวกเลขธรรมะได้เอาละเอาละ ทีนี้นี่ น, น, นี่ทั้งตานะทั้งเบ้าตาเนี่ยถ้าวิเคราะห์ไปแล้วมีห้าสิบสี่รูปเรียกว่ามังสะจักรสุมังสะจักรสุทีนี้ในมังสะจักร ส, ส, สุเหล่านั้นเนี่ยนะมังตาเนื้อทั้งเบ้าไม่ชื่อว่าจักขุธาตคือถ้าในในตัวตาทั้งเบ้าเลยนะแบ่งธาตุได้เยอะมากนะได้เยอะนะเยอะอยังไงเอาแบบตรงๆเลยนมะ่หนึ่ง จักขูมีจักขูธาตุอยู่ในข้างในนั้นใช่ไหมหนึ่งนะมีจักขูธาตุสองตานี้มีสีอยู่ในนั้นไหมมีก็มีจักขูธาตุมีรูปธาตุมีกายธาตุมีโพธภะธาตุเมื่อมีกลิ่นก็ต้องมีคันธาตุถ้ามีรสก็ในนั้นก็มีรสธาตุเนี่ยนะครับก็สังเกตดูจากกินตาปลาทูใช่ไหมจะมีรสธาตุอยู่ในนั้นและมี โพธภาษธาต์อยู่ในมีกายธาตมีโพธภาษธาตแล้วก็รูปที่เหลือทั้งหมดเป็นเป็นอะไรเป็นธรรมธาตอันนี้นี่แยกแบบได้ธาต์เยอะๆธาต์เลยนะจักขุธาตรูปธาต์คันธาธาตรสะธาต์ายธาต์โพธภาษธาต์และธรรมธาต์สรุปได้กี่ธาต หนึ่งจักขครูธาตุทำไมหนึ่งจักขครูธาตุสองรูปธาตุสามคันธธาตุสี่รัสธาตุห้ากายธาตุหกโพธพาธาตุแล้วก็เจดธรรมธาตุเพราะในตาเนื้อเนี่ยนะธาแบ่งออกมาแล้วตาตามธาตุนี่ได้เจ็ดธาตุด้วยกันแต่นี้เรามานับเอาแค่เน้นไปที่จักขรประภาษาธะตัวจักขรประภาษาธาตเนี่ยนะตัวเนี่ยเป็นธรรมชาติที่จักขคร แปลว่าเห็นหรือแปลว่าดูก็ได้บางทีก็บอกว่าแปลว่าชอบก็ได้จักขะตัวนั้นนะจักขติเนี่ยนะแปลว่าชอบก็ได้แปลว่าเห็นก็ได้แปลว่าดูก็ได้ภาษาธาตแปลว่าความใสความใสที่สามารถดูได้หมายความว่าดูได้คือสามารถที่จะเห็นได้เป็นความใสเป็นความใสของอะไรของมหาภูตรูป ตัวมันเองเนี่ยนะจากขู่ภาษาถ้ามันเป็นอุปาทายรูปใช่ไหมมันเป็นความใสของมหาพูดมหาพูดอันนั้นอะไรแต่งให้มันใสเห็นได้ล่ะกรรมเป็นตัวแต่งให้ตานี่มองเห็นได้เพราะฉะนั้นกรรมเป็นปัจจัยแต่งมหาพูดให้มันใสาสามารถที่จะเห็นได้พอที่จะรับภาพได้ไอตัวความใสตัวเดียวตัวนั้นแหละเรียกว่าเป็น จักขูาษาธตตัวจักขู่ภาษาธานั่นแหละเป็นจักขู่ธาตุเป็นจักขู่ธาตุทีนี้ส่วนรูปธาตุรู ป, ปราธปปาตุเนี่ยนะสีทั้งหลายเนี่ยนะสีทั้งหลายเนี่ยมันมันเยอะมากเลยจนไม่รู้ว่าสีที่เกิดอยู่กับอะไรดีสีที่อยู่กับผมเนี่ยมีกี่รูปอันนี้เยอะใช่สีที่อยู่ใน เสียงในเสียงนี่มีสีอยู่ด้วยไหมมีสีที่อยู่กับกลิ่นสีที่อยู่กับรสสีที่อยู่กับโพธิภะหรือสีที่อยู่กับธรรมรมทั้งหลายเนี่ยนะทุกแห่งมีสีเต็มไปหมดเพราะที่ใดมีมหาพูดที่นั่นต้องมีสี น, นะฟันก็แล้วแต่สุดแท้แต่มหาพูดมหาพูดเหล่านั้นมีอะไรเป็นสมุติฐานสีทั้งหลายก็ มากมายพันสีในโลกจึงวิจิตมากนะวิจิตมากเดรฉ า, านก็มากมนุษย์ก็มากพันสีในโลกวิจิตพิสดารจริงจเนี่ยนะในโลกของสีพันอาศัยจากขู่กับสีการเห็นจึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นอันนอันนั้นนะ่ะตัวนั้นเรียกว่าวิญญาณแต่คนก็ยังเผลอไปบอกวิญญาณมันเที่ยงอีกนะวิญญาณเนี่ยเมื่อมีตามีสีเห็นจึงเกิดขึ้นนเห็นยังสําคัญว่าเห็นนี่เป็นเป็นตน หรือเป็นของเที่ยงหรือเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอนะวิปริตขนาดนั้นนะไม่น่าเชื่อเลยนาะไม่ได้ทําปริญญาสัอย่างเดียวเนี่ยโหคิดได้ไปหมดอ่ะนะก็เลยกนะ็เออเขาบอกว่ารัตที่เดรธีนี่เขาบอกว่าไอตัวที่มันเห็นนะมันเป็นชีวาชนิดหนึ่งเวลามันจะดูปับ๊บมันวิ่งมาทวารตาเลยมาดูแล้วมาดูหน่อยนะนะั่นแะสมมติถ้ามันฟังมันจะวิ่งไปที่หูอีกแล้วมันไปฟังสงสัยมันเหนื่อยแย่เลยเนาะ เขาก็ถืออย่างนั้นนะอันนี้คือลทัทธิลทัลทธิอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาก็มาแยกแบบนี้นะแยกแบบนี้ว่าตากับสีการเห็นจึงเกิดขึ้นหูกับเสียงการได้ยินจึงเกิดขึ้นจมูกกับกลิ่นการรู้กลิ่นจึงเกิดขึ้นลิ้นกับรสการรู้รสจึงเกิดขึ้นกายกับโภตาภะเกิดรับกระทบรู้ทางกายจึงเกิดขึ้นมโนะวังพื้นเพคือภวัง กับเรื่องราวก็เกิดความคิดขึ้นเกิดความคิดทั้งหลายขึ้นก็จะมีการแยกแยะแล้วก็มาแยกว่าตาเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรสีทั้งหลายเกิดจากปัจจัยอะไรการเห็นเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรหูเกิดจากปัจจัยอะไรเสียงเกิดจากปัจจัยอะไรโสตาวิญญาณการได้ยินเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างจมูกเกิดจากปัจจัยอะไรกลิ่นเกิดจากปัจจัยอะไรการรู้กลิ่นเกิดจากปัจจัยอะไรลิ้นเกิดจากปัจจัยอะไรรสเกิดจากปัจจัยอะไรการรู้รสเกิดจากปัจจัยอะไร แกายเกิดจากปัจจัยอะไรโพธิภพเกิดจากปัจจ no. ัยอะไรการรวบกระทบโพธิภพเนี่ยนะรู้กายญวิญญาณเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรมโนเกิดจากปัจจัยอะไรธรรมารมทั้งหลายเกิดจากปัจจัยอะไรความคิดแต่ละความคิดมีอะไรเป็นปัจจัยแต่ก่อนที่จะพูดถึงปัจจัยแยกให้มันออกก่อนว่าในนั้นอะมีอะไรอยู่บ้างในนั้นมีรูปเท่าไหร่มีเวทนาเท่าไหร่มีสัญญาอะไรมีสังขารอะไรก็หมั่นวิเคราะห์แยกแยะอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็หมั่นวิเคราะห์อย่างนี้บ่อยๆ <c oughs> คนที่แยกแยะอย่างนี้ได้มากได้บ่อยเท่าไหร่เนี่ยนะพื้นฐานความสําคัญว่าเป็นสัตว์ก็จะถูกละออกไปถูกดับออกไปถูกทําให้ตัดขาดออกไปทีนี้ท่านมาสรุปว่าวิธี เ, เดี๋ยวพูดถึงเอาไปเจริญอีกนิดหนึ่งว่าพื้นฐานเนี่ยนะที่เราคิดถึงใครเราก็สงเคราะห์เขาลงท่าสิบแปดเลยนะียถ้าถ้าเบื้องต้นเลยนะสาทยายเลย ใครๆเคยทําบ้างยกมือกรุณายกมือขึ้นอ่ะได้โปรดก็ได้เอา้ามีใครทับเลยนะคุณวิลาวันไม่เอาว่างเลยเลยยังเอางี้ก็แล้วกันเนี่ยเพรมากนึกถึงคุณวิลาวันก็จักขู่ทา่ารูปธาตุจกักขูวิญญาณธาตุอย่างนี้หมอันนี้ดีนะโสตธาตุเสียงก็เป็นสัทธาธาตุการได้ยินของเขาก็เป็นโสตวิญญาณธาตุก็หมั่นมาแยกแยอย่างเงี้ยนะนึกถึงใครก็ใส่ใจโดยความเป็นธาตุสิบแปดเนี่ยนะใส่ใจโดยธาตุสิบแปด จนกว่าจะบอกโลกที่มีแต่ท่าสิบแ